ท่าเบียท่าสติท่าปัญญาท่ามสมาธิสมาธิท่าเป็นขันเป็นตังสนุ่งก็ไปนุงปน่งไปเ้าก็ไป เ, ร, เรื่อยแหลกเวลากิเลสมันแหลกออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วใจดวงที่มันเคยเป็นเหมือนฟุตบอลมันมันดิ้นที่ไหนกันี่ไม่มีอะไรดิน้นทำไมจะไม่เห็นตัวกิเลสมาดิน้นมีกิเลสเท่านั้นทําให้ดี้ให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะอันนี้มันหมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรมาดีดมาดิ้น มันเป็นน้ำคนหนึ่งใสสะอาดหนึ่งแล้วเทียบให้มีใจควรเท่านั้นเองอันนี้ก่อนทุทวนทุกวันนะหมูเพื่อนเนือควรประมาณผมเอาเนี่ยมาได้มาทุวันเล้ที่เทศอย่างเทศทุกวันตอนเช้าเนี่ยเทศทั้งฉันหันแล้วเทศข็เป็นเวลาที่ควรจะเทศได้พอประมาณไปมันก็ไม่ถึงไหนก็ยังมือเช้านี่ คนมากๆเตั้งใจอย่าสมก็เขาก็ไม่ถึงไหนอันนี้มันอ่อนลงอ่อนลงสุดท้าก็หยุดเนี่ถ้าต่อไปกําลังรองเร้าของเราสุดลงกว่าสุดไปอันนี้มันก็ยิ่งจะคกำเริบหนักขึ้นหนักขึ้นมีกาลังมากขึ้นมันจะพูดได้ยังไงแท้ไดนี่เราเราก็นั่งก็นอนอยู่อย่างหลวงปู่ขาวเห็นไหผิดกันอะไรอย่างนั้นแหละใครใจอ่อนเร็วกว่าใครทีโรคหัวใจนี่เราไม่คิดเราไม่สงสัยเราอะเราจะไปอ่อนเสมอท่าน อายุขนาดท่านก้อนกว่าท่านร่างกายกําลังมันค่าจะต้องอ่อนเสียบไปกว่านั้นมันเริ่มแล้วตรงตันี้นะท่านกับผมผมอายุก็เกินกันตั้งยี่ห้ายหกปีนฟังสิเพียงเท่านี้ผมก็บลูกตัวปีนี้รู้มากนะรู้เรื่องของธาตุขันมาสัญญาอารมณ์ไอยย่องจิตใจมันจะสัญญาความจํามันโหดเข้าหัวเข่า บางทีเดินเดินไปจะได้อยู่ซะก่อนมันไม่คิดไปก่อนมันก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันรู้ของมันอยู่เฉยมันไม่ออกสมมติว่าแยกไันนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่มันก็ใช่ไม่ได้เวนี้เป็นเนาะมันขี้เกียแล้วมันไม่อยากรุ้งยิ่งคิดไปเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องโลกเรื่องสันโวไม่ได้มันหนักขันเนี่ยปรากฏว่ามันไม่อยากยก สังขารปรุงขึ้นแต่และอย่างก็ไม่อยากปรุงเหมือนซุ้มั้งง่อนน้ําหนักของมันถ้าว่าคิดทางอัดทางทำเป็นงั้นมันก็สอนใครไม่ได้แต่ไม่เป็นนะทำแต่คิดดูที่เวลาแสดงออกมาก็อย่างที่เห็นนั่นแล้วพูดเป็นนั้นเองอย่างนักกีฬาพอถึงเวลาของมันที่มันจะแสดงออกมานี่ถึงเลยเห็นมไหมทั้งๆ ท, ที่ร่างกายมันเ็นงนี้อยู่แต่อนันนั้นมันคุ่งของมัน มันฟังร่างกายเมื่อไหร่นั่นแหะเราจะตายเพราะอันนี้มีเท่เล่งเล่งเล่งไปหมุนติว้วติ้ร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันไม่เห็นด้วยมไม่ฟังด้วยยี้มันไม่แข็งไปด้วยมันก็ลงตัง น, นีนน่พลังของธรรมเราพูดแบบนักกีฬาพูดยอมรับความจริงเรพูดแบบโลกโลกทะเลยทะไล่หลีกเลี่ยเลี่ยง คือเป็นคุณมายาของกิเลสทั้งหมดนี่ฉั น, นพูดอย่างเมื่อคือนนี่ก็พูดกับท่านใหญ่ท่านพูดเรื่องพระะหันท่านตาย น, ะนี่ยนขันของพระละหันกับขันของเรามันต่างกันขันของเรามีสิ่งที่ยึดเป็นเจ้าของขันพระละหันไม่มีอะไรเป็นเจ้าของแม้ทำจะม ใช้ขันนี้ทําก็ไมไ่ยึดขันทําก็เป็นทำแลมม้วทําไม่ยึดทํา ด, ด้วยจิตไม่ยึดจิตด้วยนั่นเป็ น, นชั้นๆก้นไปอย่างนั้นไม่ยึดอะไรทั้งปวงใช้ขันกระแทกกันเห่างนั้นพอถึงวาระมันจะไปเมื่อไหร่ปล่อยไม่มีการคัดค้านต้านทานมันด้วยเจตนาหรือด้วยความหยากอะไรเลยนอกจากด้วยสรราธิญาณที่เคยรับผิดชอบกันมาก็เยียวยารักษาบป็นไปเท่านั้น เวลาเจ็บไข้ได้ปวดมันก็เป็นของมันเองรูปประคันอันนี่ถ้าของมันอย่างที่พูดคือมันก็เหมือนฟืนเหมือนไม้ไผ่นั่นหะเวทนาขันคือทุกขเวทนาขันนี่แหละมันก็เป็นเหมือนไฟเจาะเข้าไปฟังเสียงไม้มันกระโลกระเบิดพึ่งปังพึ่งปังแตก็จะกระจาย ไฟก็ส่งเปลวขึ้นจุดเมฆเหมือนกับมาต่างอันต่างมีวิญญาณไฟได้เชื้อก็พุ่งพุ่งเหมือนมีวิญญาณทีนี่ไอเชือ้อไฟคือฟืนคือไม้ไผนะ่นั้นมันก็แต ก, กกระจายเหมือนกับมันมีวิญญาณอย่างเนือนกันป้องป้องป้องป้งป้อ ง, ง, ง, งเวลาเอาคานกินเข้าไปจับตัวเองที่มันระเบิดป้งป้งป้งมันรู้ความหมายของมันไหมนั่นไม้ไผ่ก็ไม่รู้ความหมายตัวเองการระเบิด นั่นก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟที่กำลังเผาอยู่นั่นด้วยไฟก็ไม่รู้ความหมายตัวด้วยไม่รู้ความหมายของฟืนด้วยนั่นหากเผากันแสดงอาการให้เห็นจด้ชัดนี่ะแล้วดูให้เห็นชัดเจนตามความจริงเป็นอย่างนั้นเรองขันขันต่อขันมันบีบบังคับกันในเวลาไม่ปกติหนึ่งเวลาจะเป็นจะตายนี่มันมันบีบปอย่างนั้นแหละเหมือนไฟเลือดเชื่อ ทีนี้ยืนบอ ม, มองดูสิเราไม่ได้เป็นฟืนเราไม่ได้เป็นไยเราเป็นเราดูที่เป็นยังไงมันก็ดูกันได้อย่างถนัดทัดเจนนี่กีดเป็นกีดจิตเป็นอิสระมันก็สนุกดูขันทําหน้าที่ต่อกันเลยทีแล้วอะไรจะเป็นค่าสิบต่อกิดดวงนั้นตั้งแต่ขณะท่านบรรลุแล้วหมดปัญหาโดยการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะตายได้ ว, วิธีการใ ด, ก, ก, ดก็ตามอกับคุณยาใดก็ตาม เรา่องนี้เป็นสมมติทั้งมวลอันนั้นเป็นมิโหมดเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยยันกันเลยร้อยทั้งร้อยเลยจะเป็นอาการใดก็ตามจะตายด้วยวิธีใดเห็นอุปัติเหตุตกรถตกลาดิรถทับรถเหยียบถูกเขายิงเ ข, าข้าฆ่าวิธีไหนก็ตามจะตายด้วยเก็บข่าได้ตัวก็ตามมันก็เรื่องของขันแต่ะถลายของมันไปไม่ไหน มุติจิตอนนี้มุติธรรมไปอย่างนั้นไม่เป็นอันเดียวกันทือไม่มีปัญหาอะไรกับการตายของพระหลานเราเห็นนี่ที่ท่นานอาจารย์ม่านท่านมาเอาองค์พระหลานมาตายมานิพนธ์ใ้ท่านดนูเป็นภาพแสดงภาพของธรรมมาแสดงถ้าไม่เป็นสมมติขึ้นมามันก็ไม่รู้เพราะคันก็ยังเป็นสมมุติ ระหว่างสมมติต่อสมมติมันก็ต้องเข้ารับกันมันถึงจะรู้เรื่องกันถ้าเข้าแบบคนนอนหลับสนิทแล้วจะเอาอะไรมายามุ่งจะเอาอะไรมามีความหมายน่ะคิดดูสิคนหลับสนิทมีอะไรเป็นความหมายในขณะที่หลับสนิทไม่มีน like ิมิตนิมอยอะไรไม่มีเพราะความฝันไม่มีถ้ามันยังมีความฝันไม่เรียกว่าหลับสนิทยังมีฝันอยู่ไม่ฝันหลับสนิทไม่ฝันเลยนั่นเอาอะไรเอาความหมายอะไรไป เกี่ยวข้อง้านการเวลาสถานที่แม้แต่ธาตุขันนี้ยังไม่ เ, เกี่ยวข้องกันเลยเอาเราเป็นความหมายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีความหมายเลยขึ้นมามีขันใช่จิตใช้กิริยาของสมุติอยู่เข้าสมาธิสม บ, บัติเป็นกิจยาสมมุติทั้งมวาการที่มาแสดงนั่นก็ก็เป็นสมมุติประเภทหนึ่งขึ้นมารับกัน อย่างพระอรหันต์ธมนิพพานให้ดูบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นอนนิพพานนะท่านทําไมท่านทําไม่ได้เพราะจินท่านอยู่เหนือขันแล้วท่านจะทําตามปัญญาใสายของท่านในเวลาสุดท้ายท่านก็ทําตามความสนัดใจของท่าน เรื่องของสมมติเรื่องของมีมุติไม่เกี่ยวกันแล้วอาการใดก็เป็นอาการที่จะปล่อยความรับผิดชอบในขันนั่นเองไม่มีเท่านั้นแต่นั่งตายก็คือนั่งปล่อยความรับผิดชอบของขันยืนเดนนอนตายก็เป็นกิริยาที่ปล่อยความรับผิดชอบของขังนมันเหมือนกันหมดมีมุติกิจอะไรไปแตะ ไมมีอะไรก็ไปยุ่งได้เลยพอผ่านนั้นไปแล้วก็จะอะไรมาเทียบนี่ไม่มีอะไรเทียบพระท่านจึงว่าพระนุชทานว่านิพผานแล้วเท่านั้นท่านไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกทั้งที่ท่านก็รู้ในจิตของท่านถ้าไม่รู้ได้ไงพระอรหันต์ไม่รู้เรื่องความนิพพานผ่านออกไปจากขนันธ์นี้ไม่รู้นั้นจะรู้อะไรรู้ทั้งปัจจุบันรู้ทั้งการผ่านจากขันธ์ไปแล้วแต่มันพูดไม่ได้ทีนี้มันไม่มีสมมุติะมาเทียบแล้ว ได้ขั้นวันนิพพานตอนนั้นเออนิพพานแล้วตอนนั้นหมดสมมติแล้วถึงขั้นนั้นเนี้ยธรรมชาติในหลักธรรมชาติของตัวเองนั้นพูดไม่ได้แลว้วเพราะนั้นพระนุตทะที่ตามพระกิจของบริจ้าจึงพูดได้เพียงแค่นั้นพระจิตที่บริสุทธิ์ผ่านไปชานไหนก็รู้รู้รู้รรบอกโดยแบบธรรมดาเวล า, ว น, าวนี้เข้าสู่ชาน น, ชานั้นชานนั้นชานนั้นด้วยมายถึงไม่ต้องออ ถ, อถอยลงมาเนี่ยพระจิต ท, ทางพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ย ผ่านสมมติเวลานั้นพูดได้เพราะมันมีสมมุติภาพพิงอยู่นี่ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปถึงจานไหนก็รู้ทนกระทั่งถึงสัญญาเวทยุตินิโรธก็รู้ถอยกลับลงมาจนกระทั่งถึงปฐมฌานนั้นเลยปฐมฌานมาเป็นพระกิจที่บริสุท ธ, ธิมราก็รู้อทีนี้กล้าเข้าไปอีกก็รู้เพราะมันมีสมมุติให้รู้อยูน่นี่ผ่านเหมือนกัะเรือบินที่ผ่านไปผ่านเมฆกันเองแค่มีเมฆมาผ่านก็ไม่รู้ความช้าความเร็วของระบิยน ในสายตางเราอาศัยสิ่งที่มาพาดพิงอันนี้ก็อาศัยสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงของวิมุตติกิจนั่นถึงว่าเสด็จผ่าน น, านั้นผ่านนั้นผ่านนั้นพอออกอันนี้มีส ม, มุติแล้วนั่นที่นี้เอาอะไรมาเทียบไม่ได้แล้วหมดวันนี้ผ่านแล้วนั่ถึงท่านไม่มีอะไรมาบังคับบัญชา ไม่อยู่ใต้อำนาจของอะไรในกฎสมมุติทั้งปวงหรือว่าปรมังสุ ข, ขังเลยมันหมดจะทุกอย่างเป็นชื่อว่าโลกเกี่ยวข้องพวพัน์หรือแบกหามท่าไม่มีเลยนะสามแดนโลกธาตุนี้ท่านต่างสัตว์โลกต่างคนหรือสัตว์ทั้งหลายนี่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เลยมีกี่รายก็าตามจะมาวัดท่านไม่ได้นอกจากราราพระสารทพระสารทก็ไม่วัดกันมันหมดที่จะวัดแล้ว มันไม่มีอะไรที่วัาดอูอะไสมมุติไม่มีอะไรไปเทียบกันมีแต่วิฏฐิรุนรวนเอามาเทียบกันทําไมพอตัวของใครของเราทั้งพอแล้วถูกบีบถูกบังครับอยู่ตลอดเวลาเห็นได้เห็นก็บีบบังคับได้ยินก็บีบบังครับทั้มผัด ส, สัมพันธ์อะไรก็บีบบังครับหมด มีเครื่องบังคับตัวเองอย่างนั้นมันเอาความสะดวกมาจากไหนกิกแม้ก็่จะพูดตามเรื่องราวต่างๆมันก็มีสีบังคับให้เกอให้เคินให้อ่ำอายนี่ให้กลัวให้กล้าอะไรไปอย่างไั้นมันมีสีบังคับบังคับให้เปลี่ยนทีนั้นที่นั้น และนอกจากนั้นยังบังคับมาให้รู้ตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายด้วยสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายก็คือความจริงทั้งหลายนั่นเองเมื่อเปิดเนี้ยออกไปมันก็เห็นแล้วที่ความจริงทั้งหลายมียังไงงันก็เห็นแล้วทํำไมมันพูดไม่ได้มันก็พูดได้เต็มปากนี่แล้วไม่มีอะไรที่จะมาบีดมากานมาบีบบังคับเหมือนเมื่อก่อนบีบเป็นอิลระเปิดตัวเองเป็มที่การพูดหลักเบามากน้อยตามหลักความจริงพูดได้ทั้งนั้นถ้าจะพูด เขูกกับูกอยู่แล้วนี่นทำไมาจะพูดไม่ได้ถ้าจะพูดเมื่อกี้เด็ดตรงเดียวตัวเดียวแถงนั้นมันปิดไ ม, ไ, ไม่เห็นตาคจริงให้อัดอั้นตันใจอะไรให้ไม่รู้ให้เห็นไม่พูดได้มันบีบมันขับเอาไว้พอจิตเปิดตัวเองออกเต็มที่แล้วก็พูดได้เป็นเม็ดเป็นไา อ, อันนี้ไม่พูดอะไมากพูดแค่นั้นหนละให้พวันตั้งตงตั้งใจไปพุทธปฏิบัติก็อยู่วัดที่ไหนที่ไหนกอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรมากยิกว่าการภาวนาทนะงานก่องพระคืองานภาวนาเป็นงานสาคัญมากอะไรรู้หลาก็ตามถ้ารังทางด้านจิตใจความภาคเรียนไม่รู้หลาไม่เห็นด้วยเลยทําถ้าไม่เห็นด้วยนี่สังเ ใ, ให้วงตัณหาค่อยพ่นจพุทิเลตเข้าไปเหยียบหัวพระเหยียบคอพระเหามือนกันนะ่ะว่าอลยอนี่เป็นเรื่อของกิเลสนะเรื่องของธรรมนี่ทีนะ่ไหนถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติอย่างๆมันจะไม่มีแม้แต่นับปฏิบัติเรามันก็ไม่ไมพกทิเลขึ้นมาเหยียบย่ทำทําลายอยู่ในะหัวใจตลอดเวลาจนถึงเอีย บ, บุตทั้งหลายก็เหมือนกันมันเหยียบแล้วก็แสดงทางพิราการต่างๆในเอีย บ, บทนั้นๆน เรื่องาสนาแล้วไม่มีอะไรมากกว่าความจำเป็นความจำเป็นถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงคือการแก้กิเลสเพราะันี้เป็นตัวตัวไัยไม่ใช่อะไรเป็นไผยวิเลสเป็นไัยก็สอนอยู่นะใครไปนคนหาเห็นได้พบได้เจอของเปนไัยอย่างนี้โลกทั้งโลกมีใครคน้นพบไม่มีของพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นตลอดทุงวิธีการที่นำมาสอนโลก ดัทงท่านแต่หนังสือการศึกษาลึกไปนี้ก่อนทําให้คิดเหมือนกันยังดีเอไอแหวนเป็หลักธรามานน่าจะไม่ถึงใจสุดสวยก็ยังพอเป็นแบบเป็นฉบับคือการเรย่อหยิ่งการแต่งหนังสือการศึกษาลึกึ้นจะขึ้นหรือกับความรู้สึก ข, ของผรูศึกษาลึกเหมือนกันดังท่านอาจารย์มั่นท่านพูดไว้นั่นเอง ถ้าผูจดจะทถึงอัดถึงทาถึงเหตุถึงผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วการจดจฤทธินั้นจะเต็มที่เต็มฐานง แ, แจ้งได้อย่างละเอียดระออกมากมแบบไปฟังเขาเล่านิทานมาจ น, นี่ไม่เป็นอย่างนั้นยังดีได้นิทานมาเล่าพอได้แนวปฏิบัติ เห็ตัวไปเ็นตัวจริงแล้เอามาเอามาพูดกับฟังเขาเล่านิทานมาพูดมันผิดกันนะความไปเห็นตัวจริงมาพูดต้นพูดได้เต็มปากความไปฟังเขาเานิทานไปฟังเอามาพูดมันไม่ได้เต็มปากนี่เหมือนการการจดจกการึกคมภีอัตธรรมของรูเท้าถ้าจดจารึกตามแบบฟังเขาเล่านิทานก็เป็นฮั่ น, นถ้าจดจารึกมาแบบไปรู้เองเห็นเอง มันเป็นเครื่องสนับสนุนความจริงธรรมของจิญญามากมายขนาดไหนถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำถึงความจริงเติมสัตว์เป็นส่วนหนึ่งมาโดยนะักหนต่างกันเราอยากพูดเรนถึงตรงนอกรงที่ในครั้งนั่งกับนั่นเลยมันพูดครั้งนี้ก็ได้รหว่างวิปริยัดกับปฏิบัติเราออกนี่แหละปริยัดทีเรียนมาเป็นป่ากันแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้ว การพูดมันก็ไม่ถนัดใจคือการปฏิบัติได้ผลทางด้านปฏิบัติด้วยปริยัติก็เรียนมานี่ไผลทางด้านปฏิบัติด้วยวมันสนับสนุนกันมากขนาดไหนพอทางปริยัตเป็นความจําภาพปริยัตเป็นความจําภาพปฏิบัติเป็นความจริงที่เห็นมาจากความจําความจําความจําชี้บอกให้เข้าไปนั้นนั้น น, นการดําเนินก็ไปเจอความจริงนี่ทั้งความจําก็ได้ทังความจริงรก็เจอ ก็พูดได้เต็มไม่เต็มเลยนีที่เจ้าวะจะพูดถึงการพูดการเรียนจดจํามา ก, กับคู่พี่ปฏิบัติเห็นความผิดพูดได้มีความหลักลวงต่างกันอยู่มากผิดกันมากทีเดียวเห็นตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์เราันยกพาสีชิ้นป้านูปูแปรนี่เป็นน้ําไหลไฟสว่างไปเลยนะ ถ้าแตลท่าไม่ไไม่ได้แปลโกลงกับศัพท์ที่ทางรารพระญาตแปลมานักนะอย่างเอย่างไปนิดแต่ความจริงนั้นเต็มส่วนเต็มส่วนนี่แหละมันต่างกันเนี่ยคนหนึ่งทั้งรู้ทั้งเห็นนํามองจากนั้นมันพูดก็เต็มสั์เต็มสับที่คนหนึ่ ง, ง, ง, ง, งได้จาได้แต่คําพูดออามาพูดเรยดีไม่ดีก็มาติดคําพูดเจ้าของอีกติดสัพ์ติดแสงติดคําพูดเจ้าของ ติดจำนวนที่นามาใช้ไม่ทราบว่าติดอะไรต่ออะไรกว่าจะได้ตัวด้ยความแต่ละประโยคประโยคน้แทบตายนะไม่คิดกันอย่างนี้นะแล้วผู้ที่ท่านปฏิบัติท่านลูกจริงจริงพอโยกพาดตขึ้นป้านี่แปลผางเลยตัวไม่ไม่ตงรงตามที่ประยัดแปลเลี้ยงไปนั้นน่ะแปลสิ่งที่ธรรมชาติที่ท่านเลี้ยงไปน่าจะเป็นกระพี้นะกลับเป็นแก่นขึ้นมาดูสิเลี้ยงไปนั้นแต่มันมีน้ําหนักมาก คิท่านเอาความจริงมาพูดเลยแปลตรงไหนหน่าฟังมากไม่มีเออๆแล้วลงท่านนียกบาลีขึ้นมาแล้วแปลผังผังผังข้อพันแปรก็ภาคปฏิบัติไงมัผิดกันตรงนี้ความจงความ จ, จริงไม่ผิดกันมาก คาถาบาลีดูสูตรไปดูคำพีคาถาบาลีภาสูต่างๆแต่เราเป็นความจำของเราเราไม่เคยผ่านภาคฏิบัติเลยมันจะไม่ซึ้งเนยทียยยตยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยรมยยกยักนนาายยยัยยยสูตรยริปัยยยยยยยยยยยยยยย็ยยยยยยยยูยยยยย่ยยยยยยย ความจิงมันไม่ปรากฏในใจเจ้าอะไรมาจริงแปลวุ่ไปเรียนมาอยู่นั่นไม่ในเรื่องจะของก็เหมือนนกขุนทองเนี่ยผู้ปฏิบัตวเมื่อพอพอว่าขึ้นสูตนั้นเนี่ยความเข้าใจความซึ้งมันไปพร้อมๆกันเพราะซึ้งออกมาจากใจใจรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นชูทางๆเป็นมีของมีน้ำหนักขึ้น ท, ทันทีน้ำหนักขึ้นมาจากความจริงใน ใ, นใจของผู้รับสัมผัสกับสูตรต่างๆนั่นแหละ ไม่ออกมาจากไห น, นพลังของธรรมอที่ใจรูปังอนัตตากปริจณามาแล้วจนปล่อยกันได้มันมันเป็นอนัตตาเป็นอะไรนะนซึง่งอณิจังมันแปลี่ตลอเวลาของกิตน่ะมันเห็นชัท่าดในจิตนั้นทุกขังก็บีบบงังคับกันตลอดเวลาหาเวลาเป็นสินะได้ยังไงมันชาติอย่างนั้นเพราะว่ารูปังอณิจังทุกขออนานัตตามันซึงซ่งซึ้งซึ้งไปเลย เรตาทุกอย่งทุกอย่างอันนี้ปังอันน้ปันทุกอย่างทุ่างต่างเซิ้งไปพร้อมๆกันหมดเลยนิ่งพร้อมๆกันเพิบเพิ่บเพิ่บเลยมันเร็วฮัหลักใหญ่มันอยู่ในจิตหมดแล้วนี่ความลึกความซึ้งอะไรมันอยู่ในจิตหมดพอแสดงมาเหมือนกับเปิดเลยเหมือนกับไฟที่เราชาร์จแล้วีเตรียมที่แล้วพอเปิดมันก็จ้าเลยจ้าจ้าจ้าจ้าเลยเปิดก็หมายความว่าเลือกสูตรไหนขึ้นมันจ้า หนเรื่องของการปฏิบัติรู้ทำเห็นทำทำเกิดนี่ว่าแล้วก็ได้ยินแต่ชื่อว่ารู้ทำเห็นทำรู้ยังไงเห็นยังไงไม่รู้มันได้จําได้เฉยๆรู้ทำเห็นทำทำเกิดผู้ปฏิบัติท่านรู้จริงเห็นจริงเห็นธรรมรู้ก็รู้จริงๆเห็นจริงๆทำเกิดเกิดจริงๆทำเกิดมากน้อยกิเลีสดับไปเรื่อยๆเนะี่ย ทำขั้นเกิดทำของเราเกิดไม่เพียไม่เช่นนั้นนะทำเกิดมากเท่าไรกี่เดียยิ่งหนาเนี่ยทำเกิดอยังไงเกิดจากความจำวันนี้ได้สูตนั่นนั้นนได้สูตนั้นวันนั้นท่องได้นั้นนั้นนี่ทำเกิดอะไรนะเอเกิดจากความจำพอได้เท่าไรก็ยิ่งว่าตัวได้เทำเกิดแล้วเดียนได้กัมปีได้กัมโทงด้กเอกได้มหาปริยนทำเกิดแลยนะทำนักกัมปีเกิดแล้วตัวเกิดแล้วนักเอกเกิดแล้วมหาปริยนเกิดแล้วด้วยกี่เดี ขึ้นทับหัวเลยมองหาหัวไม่เห็นลุกไม่ขึ้นเราทำผืนเราทำเกิดออกมาแล้วตายพวกนี้พวกไหนก็พวกเรานี่ยนี่ทำเกิดอย่างนี้มันตายนะทำเกิดแบบนี้ทำเกิดทุงท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้ทำเกิดจากข้าวเดีว่าวทำเกิดมาน้อยที่เลสทางลงทางลงทางลงอันนี้ทำเกิดมากน้อยกิเลสเหมือนกับมาสร้างแท่นะกิเลสนี่เองนั่นะพวกเราพวกสร้างแท่นในกิเลสมันขึ้นนั่งขึ้นเหยียบตลอดเวลา วิจาีนาย้อนหลังก็โอ้มันก็ดีมันเป็นบทเรียนได้อย่างดีนะภาคปริยัติที่เราเราเรียนมาเหมือนโลกเหมือนทั้งหลายมันสำคัญจรงว่าตัวเรียนรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันสำคัญจริเหมือนเรามีความรู้อะมากมายความรู้มากมายตายอะไรถึงตัวกิเลตแผ่ทังพัน เวลาปฏิบงติเนี่มันเข้าใจตรงไหนรู้ตรงไหนนี่ยกิเหลสมันพังลงพังลงนั่น เ, เข้าใจเต็มที่ที่เหล็เหมาะพลาดนั่นไม่เห็นได้ชัดอ่เลยนี่ความสําคัญอย่านี้มันไม่มีมันจะมีแล้วมาจากไห น, น, นก็ไปพูดไปเฉยี่เหลสพาพูดไม่ใช่ทาพาพูดกิเลส พ, พ, พาให้ความหมายกิเลสทำให้ความหมายก็แบกสนุกแบกแล้วหนันกกระท้โอ้ยมันทนได้พกนี้ มีผู้มายกยอเราพี่บอโอ้ฉันมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมนั่นนี่จมูกมันลนุมนจะเป็นห้าช่องหกช่องให้บูดลงสีสีเก็เปิดหูลงสีหูดรถไฟมันสู้ไม่ได้เหมือนคือมันไม่ดังเท่าจมูกของคนคือมันท้องมันใหญ่ลืมตัวจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามวัยไหนก็ตามความยกยอต่งเสรมันชอบจริงจริงๆ แม่แต่ลิงมันยังชอบลากไปย้อมยอมอย่างั้นมีลิงโอ้ลิงโอ้ทาท่าขึงขังตึงตังม่ใช่เล่นนะพิงพอไปพูดตําตหนิมันมันรู้นน่นะพอไปตาหนิมันสอนนั้นะโอ้หน้ามันอยู่ที่ใส่เราโอ้มันก็ชอบย้อมยองเหมือนกันเหนืออย่างนั้นอย่างปุ้ยโป้กับเราทีเรไปย้อมจ้อมดูสิโปก็ขึ้นแบบหนึ่งเหมือนกันนะปุ้ยขึ้นแบบนนก ไปดูไปโองไปโยงย้อนจริง้นเกาะนั่นเกาะนี้เล่นกับเราสนุกขนาดพอเราหยอกเล่นกับมันทานนั้นทานนี้อล้วยังงั้นเลยโยย้อนมันลุกขึ้นย่างเลยไอตัวนั่งก็ดีนี่ไปดูนั่นแล้ดูอย่างไ้ทำมีอยู่นั่ธรรมชาตินี่มีอยู่ที่ไหนมันทาให้เป็นอย่างนี้เคยกันทั้งเรื่องอาปุตตะนะเราเก็บเออละพูดเรื่องน้อยปุะนะนไฟมันมีบ้างด้ยนี่ มันทำมือมือนลำดับมันยังไงฮอมันลืมมือมันบอกนั่นอย่าดีปีนึงมาท้อง